สิกขาบทวิพัง405คำว่าด้วยอาบัติปาราชิก ค, คือด้วยอาบัติปาราชิก4ข้อใดข้อหนึ่งคำว่าใส่ความได้แก่โจทเองหรือสั่งให้ผู้อื่นโจทคำว่าทำอย่างไรจึงจะให้ภิกษุนั้นพ้นจากพรหมจรรย์ น, นี้ได้ความว่าให้พ้นจากความเป็นภิกษุให้พ้นจากสมณธรรมให้พ้นจากศีลขันให้พ้นจากคุณคือตาบะ คำว่าครั้นสมัยต่อจากนั้นความว่าล่วงขณะระยะครู่ที่พิสษุถูกใส่ความไปแล้วคำว่าอันผู้ใดผู้หนึ่งโจทย์ก็ตามคือจะมีผู้เชื่อถือตามเรื่องที่ทำให้พิสษุนั้นถูกใส่ความก็ตามคำว่าไม่โจทย์ก็ตามคือไม่มีใครๆกล่าวถึงพิสษุนั้นชื่อว่าอธิกรได้แก่อธิกร4ี่อย่างคือ วิวาทาทิกรณ์อนุวิวาทิทกรอ์ อ, อปัตตาทิทกรณ์และกิจจาทิทกรณ์คำว่าอ้างเอาบางส่วนเป็นเล่ห์คือถือเอาเล่ห์สิบอย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึง่งคำว่าและภิกษุยอมรับผิดความว่าภิกษุนั้นยอมรับว่าข้าพเจ้าพูดคาไร้ประโยชน์พูดเท็จพูดไม่จริงไม่รู้จึงพูดคําว่าสังฆาธิเศษความว่าสําหรับอาบัตินั้นสงฆ์เท่านั้นให้ปริวา่า ก็เหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาทิเศษ